ข้อ4ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลธรรมประจำใจอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างที่จะไม่มีเลยนั้นคงหายากนอกจากมนุษย์จะหมัวสารวนอยู่กับการสแสวงหาลาบยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมทำให้ต้องตกอยู่ในความหายนะ ถลกพบคนเช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาชุดเขาให้พ้นจากความหายนะให้จงได้ดุดคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝันให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแก่เขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้เมื่อครั้งราชวงศ์ถังราวปีพุ ท, ทธศักราช1161ถึง1450 มีขุนนางท่านหนึ่งเขียนหนังสือสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนชาวจีนมีความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อันดิจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากฮ่องเต้ให้เป็นที่อวนเป็นการเชิดชูแก่ผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลองที่เยี่ยมยอดนั่นเองชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าหานอวนกง ท่านหารหวนกงเคยกล่าวไว้ว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไปผู้อยู่ไกลก็ไม่สามารถได้ยินคําเตือนนั้นได้หากบันทึกไว้เป็นหนังสือแม้สักร้อยชั่วคนคําสอนนั้นก็ยังคงอยู่สามารถแพร่ไปไกลกว่าพันลี้หมื่นลี้เสอีกข้อที่หนึ่งพอได้ยกตัวอย่าง ให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทําตนเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นนานวันเข้าก็จะมีคนตามอย่างโดยไม่รู้ตัวส่วนข้อนี้พ่อยกตัวอย่างให้ใช้คําพูดใช้หนังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลเลยดุดดังคนป่วยถ้าได้ยาตรงกับโรค ก, ก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนที่มีนิสัยแข็งกระด้าง ถ้าเราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่ายพูดไปก็เสยเวลาเปล่าถ้าเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนการตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสียทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นใดสมควรตักเตือนด้วยคำพูด คนเช่นใดสมควรให้เขาอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขตัวเขาเอง